ปิดมาจะฟอกเท่าไรพอไม่หายขาดเจ็บแล้วมารอห้องใา้เสียได้สูนติ้นความเศร้าเปล็กดานมันดันเห็นดาวอยากดังมานังไว้